ตอนนี้พิธีปฏิบัติอีอย่างหนึ่งที่บรรดาท่านผู้บริษัทถามกันมากไม่ใช่ถามเฉพาะที่นี่ที่อื่นก็ถามถามที่สำนักอื่นก็ถามถามเหมือนกันว่าถ้าเวลาที่มีอารมณ์ดิง่งมันทําอะไรไม่ได้จะทํำยังไงต่อไปคําว่ามีอารมณ์ดิง่งหมายความมีการทรงตัวมากจิตไม่มีการเคลื่อนไหวเวลานั้นจิตเป็นชาน จะเป็นฌานที่อะไรก็ช่างเดอะถ้าเป็นฌานในกายมันจะเป็นอย่างนั้นอาการจะเป็นหนักเบาต่างกันตรา น, นี้ก็ไม่จังพิจารณาก็ขอตอบว่าขณะใดที่จิตเป็นฌานคําว่านเาเรียกเอกคาตารมเอกคาตารมแปลว่าอารมณ์เป็นหนึ่งมันไม่ยอมเป็นสองเพราะจิตมันจับอยู่จุดใดจุดหนึ่งมันจะอยู่เฉพาะจุดนั้นไม่เคลื่อนไหว ถ้าจิตเข้าถึงตอนนี้ไม่ต้องทําอะไรปล่อยไม่ให้ทรงตัวตามนั้นขณะใดที่จิตทรงฌานอยู่ขณะนั้นเวลานั้นเชื่อจิตว่างจากกิเลสเพราะการทําสมาธิเราต้องการให้จิตว่างจากกิเลสมันจะว่างโดยการแบบไหนก็ปล่อยไปมันว่างก็แล้วกันแตะว่าการที่จิตทรงฌานแบบนั้นมันจะทรงไม่นานบางคนคิดว่าจะเจริญพิจารณาเพื่พิปัสนาญาณใช่ไหมอะไรไหมอันนี้ไม่ถูกทั้งหมดเวลานั้นทําไม่ได้ ต้องไม่คิดว่าจะทำํำถึงคิดว่าจะทำมันก็ไม่คิดตามจิตไม่ยอมเคลื่อนก็ปล่อยให้มันทรงตัวถ้ามันจะทรงตัวมันทรงตัวอยู่ได้ไม่นานานักประเดี๋ยวก็ไหลลงเคลื่อนลงต่ําลงเพราะจิตเคลื่อนลงไม่เต็มอัตราอยู่ในระดับปุพจาระสมาธิคือจิตยังมีสมาธิอยู่แต่ว่ากําลังเบาตัวลงคิดได้ตอนนี้แหละคนยิพิจารณาได้มีปัญนายา ในการพิจารณาด้านวิปัสนาญาณก็ให้คิดตามกำลังของใจถ้ากำลังใจยังอ่อนอยู่ค่อยคิดในลักษณะของใจรักขณะญาณเพื่ อ, อนิจังทุกขงังเนตตาให้มีปัญญาเกิดยอมรับตามความเป็นจริงด้วยปัญญาของเราไม่ใช่เอาเฉพาะหนังสือว่าที่พระเจ้าต่ัสว่าโลกนี้มีสภาพไม่เที่ยงมันจริงไหม อะไรบ้างที่เราเรียกว่าโลกร่างกายของคนก็เป็นสมบัติของโลกก็เรียกว่าโลกร่างกายของสัตว์เป็นสมบัติของโลกก็เรียกว่าโลกวัตถุธาตุต่างๆก็เรียกว่าโลกในทั้งสมอย่างนี้มีอะไรเที่ยงบ้างถ้าเราใช้ปัญญาก็ได้สัญญาก็ได้แต่สัญญาไม่ควรใช้เวลานั้นโดยเฉพาะสัญญาเกิดขึ้นต้องมีปัญญาด้วย ถ้าไม่เที่ยงของคนก็คือว่าเกิดขึ้นมาตัวเล็กใหม่ๆต่อมาก็ค่อยเปลี่ยนแปล น, ปลนตัวใหญ่ขึ้นนักเข้านักเขาก็ใหญ่ขึ้นถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนที่ยังเป็นเด็กเราก็อยากใหญ่มันก็ใหญ่ตามใจเราชอบพอถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเราเกิดไม่อยากแก่เมื่อเรื่ความไม่อยากแก่มีขึ้นตอนนี้ความทุกข์มันจะเกิด อันนี้จังแล้วนะไอ้ตัวที่เคลื่อนมาใหญ่ขึ้นมาใหญ่มาไปไม่เที่ยงแปล น, นี้จังไม่เที่ยงต่อมาเมื่อถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเราต้องการให้ความเที่ยงมันอยู่ตรงนี้คุณเราทุกคนไม่อยากไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะมีโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าการที่ต้องการความเที่ยงของเราไกลมันไม่เที่ยงไปด้วยตามการเวลา การเวลาล่วงไป ก, า, กไปายก็เคลื่อนไปตังต้งใจก็เคลื่อนไปตามติมัน ก, ก็พยามคลานจะไปหาคนวัยกลางคนตอนนี้กอการที่เราไม่ต้องการจะเป็นคนแก่เมื่อเมืม่อกายมันเริ่มจะแก่จิตใจก็เริ่มเป็นทุกข์นีเพราะความไม่เที่ยงมันท้เราเป็นทุกข์อย่างนี้เราคิดว่ามันเที่ยงแต่ว่ามันไม่เที่ยงเราไม่ยอมรับมันในที่สุดร่างกายเนื้อแป็นนัตตาคือตายคิดถึงร่างกายก็แล้วกัน ถ้าคิดในร่างกายอย่างนี้เป็นสกายติฐิเป็นวิวัฒนาญาณตัวต้นจะเป็นสัญญตัวต้น <c oughs> แล้วก็เราก็คิดต่อไปว่าถ้าการเกิดอย่างนี้มีความเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้มีความไม่เที่ยงเป็นทุกขเว น, นาตาแบบนี้ถ้าเกิดว่าอะไรมันก็เป็นแบบนี้ทุกชาติมันก็มีแต่ความทุกขความไม่แน่นอนความสลายตัวเราควรจะเกิดต่อไปไหม การใช้ปัญญาจริงๆก็คือมีความเข้าใจเราก็ไปคิดไปไม่อยากจะเกิดต่อไปสิ่งแต่เดดนๆที่ไม่เกิดมีที่ไหนคือนิพพานก็ตัดสินใจเพื่อนิพพานคิดว่าอะไรบ้างที่ทำให้เราเข้าถึงนิพพานเราจะทำอย่างนั้นอันนี้วิปัสสนาญาณอย่างอ่อนแต่ก็เป็นถึงอย่างเข้มดานเหมือนกันแล้วก็ต่อไปถ้ากำลังใจเข้มแข็งจริงๆก็ใช้อริยสัจ จับทุกข์กัตริย์เป็นตัวต้นเอาเริยอสัตว์เป็นตัวตัดกิเลสจริงให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการเกิดเป็นมนุษย์โลกในมนุษย์โลกไม่มีที่ไหนไม่มีทุกข์คนชั้นไหนระดับไหนก็ตามฐานะเช่ไหนก็ตามมีความทุกข์เหมือนกันหมดทุกจากความเกิดทุกจากความแก่ทุกจากความหิวทุกจากการหนาวเกินไปร้อนเกินไป ทุกชาตความบาดธนาไม่สมหวังทุกเหตุาการป่วยไข้ไม่สบายทุกเหตุาการพัดพลาดแจกของรักของยักใจทุกทุกความตายเข้ามาถึงรวมความว่าถ้าเราเกิดอย่างเกิดอย่างนี้แล้วก็มีแต่ความทุกข์ไม่เป็นเรื่องเราไปนี้ผ่านดีกว่าไม่ตัดสินใจง่ายๆนะค่อยๆ ค, คิดไปปัญญายไม่เกิดเองตอนนี้ไปก็อย่าขออธิบายถึงอารมณ์จบของการเจริญพระกรรมฐาน วันนี้คงไม่มีพระสวดเข้าแทรกเพราะเวลาไม่พอการจบขั้นการเจริญกรรมฐ า, านจบอันดับแรกคือเป็นมรสดาบันจบขั้นที่สองคือเป็นพระสีธาคามีจบขั้นที่สามคือเป็นพระนาคามีจบสุดท้ายจบสูงสุดจบหมดก็คือพระอระหรันต ทีนี้เราจะทราบได้ไงว่าเราจะจบจุดไหนอนจบจุดต้นง่ายๆหน่อยพระโสดาบันพระโสดาบันตามพระบาลีจะบอกว่าพระโสดาบันก็ดีสกิทาคามีก็ดีตามพระบาลีทจะบอกว่าตัดสกายติฐิวิจิกิจฉาศีลปตปรามาตัดสัญ ญ, ญาณสามข้อถ้ายางหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเป็นพระโสดาบัน ถ้าละเอียดพิเศษเป็นสิกาคา ม, มีอันนี้คําว่าละเอียดจะไม่พูดกันมันใช้เวลามากคําว่าสกายทิธิท่านแปลว่าต้องมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราที่เต็มแปลนี้ไม่ผิดแต่ว่าความรู้สึกเขาไม่โสดาบันยังไม่ถึงขั้นนี้ความรู้สึกขั้นนั้นจริงๆเป็นความรู้สึกพระอรหรันต์ ไล่ตามขั้นไปแต่ความรู้สึกของโสดาบันในสั้นดั้นสกาเยติถิก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายไปเข้ากับมรณานุสติกรรมาฐานพระโสดาบันก็ดีสกิทาคา ม, มีก็ดีมีความรู้สึกเท่ากันว่าชีวิตของคนทั้งโลกที่เกิดมาแล้วทั้งหมดตายหมดทุกคนสัตว์ทั้งโลกก็ตายหมดทุกคนไม่มีใครเหลือ ก็เป็นนั้นว่าเราคิดว่าชีวิตเราต้องตายแน่แต่เนี้ในเมื่อคิดถึงความตายเราก็ไม่ประมาทตชีวิตคิดว่าถ้าตายคราวนี้เราจะต้องเข้าสู่แดนของความสุขแดนของความทุกข์คือใบยภูมิสีมีนรกเปรตสุรกายสติฉันเราจะไม่ไปเราจะทำยังไง สิงที่ราจะรมก็คืออันดับแรกยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยรสงฆ์เป็นที่พึ่งการยอมรับต่อถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยรสงฆ์เป็นที่พึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าองค์เดียวเราเคารพจริงๆก็เหลือแหลลงอบายภูไม่ได้แล้วดูตัวอย่างทานมัตตกรณีที่ประปุ์ึ่งไม่เคยเคารพนอบนอมก่มาก่อนไม่เคยเยาะไม่ยาะนับถื อ, อมาก่อน เพียงแค่ป่วยก็แจะตายนึกถึงขอพระพุทธเจ้าช่วยให้หายป่วยเพียงเท่านี้ท่านตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชัานดาวดึงสติวโลกมีวิมานทองคำไปที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารแล้วภายหลังในขณะที่เป็นเทวดาตนเองฟังเทศจากพระเจ้าจบเดียวก็เป็นพระโสดาบันตัดกรรมบาปทั้งหมด เมืแม่ได้ยอมรับนะถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงด้วยความจริงใจถือตัดสัญยชติข้อที่สองคุมโสดาปันสกิทาคามีได้แล้วต่อไปก็ควบคุมกําลังใจให้ทรงศินห้าให้บริสุทธิ์ต้องควบคุมกําลังใจถ้าควบคุมใจได้อย่างเดียวกายกับวาจามันก็โย่เพราะกายจะพูดวาจาย่ำทำวาจาจะพูดากายย่รทำนี่มันต้องอาศัยใจนะึก ก็ควบคุมกำลังใจว่าหนึ่งเราจะไม่ต้องไม่ฆ่าสัตว์โดยเจตนาสองไม่ลักทรัพย์สามไม่พูดผิดในกรรมสีไม่พูดมุสาวาสหาไม่ดื่มสุราและมีไรถ้าควบคุมกำลังใจได้อย่างนี้จริงๆโดยไม่พลาดลัง้งก็รวมความพัฒนาหลายชนะสังโยชน์สามในการเบื้องต้นคืนหนึ่งส ก, กายาิติมีความรู้สึกว่าชีวิตจะต้องตาย ราการที่สองยอมรับนักถีบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วก็ประการที่ส ม, มีศินหบริสุทธิ์ในเมื่อศินมีสิน5บริสุทธิ์แล้วขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัทธ์ทุกพยายามนึกนึกถึงจุดสําคัญจุดหนึ่งว่ากําลังใจเราเวลานี้ต้องการอะไรถ้ากําลังใจเราจะเป็นประโสดาบันจริงไม่จิตเข้าถึงโคตรภูญาณจิตจะรักพระนิพพาเนเบริสุทธิ์ไม่ต้องการอย่างอื่น สิ่งที่ต้องการของใจเวลานั้นมีจุดเดียวคือนิพพานนั่นคือโคตรภูยายเของระสูดาบันรวมความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทยาวภาวนาขนาดไหนก็ตามถ้าไม่สามารถตัดสัญญา์สามรายการได้จุดจบเบื้องต้นของท่านยังไม่มีวันนี้ก็เป็นการศึกษากันนะจะเรื่เมื่อจุดจบเครื่องต้องกคืนหนึ่งส ก, กายยทิฐิ ไอ้ตัวส ก, กายยติมันมีความหลงว่าร่างกายเป็นร เ, รเราเป็นของเราเรามีร่างกายร่างกายมีในเราตรงความร่างกายเป็นเป็นของเราจริงมันจะต้องไม่ตายมีความคิดอย่างนี้เราก็ตัดความคิดเห็นที่ผิดที่ว่าร่างกายจริงๆแนละ้วมันต้องตายแต่มันจะตายเวลาไหนเป็นเรื่องของมันไม่แน่นอนนักราการในสองพิจิกริชา้าข้อที่สองอันสงสัยในความดีพระพุธเาพระธรรมและพระอริยสง์ เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาใหม่หรือไม่สงสัยในความดีของท่านใช้ปัญญาพิจารณาว่าพระเจ้าพระธรรมอริยสัจสงดีตรงไหนก็แล้วกันไดการิสามันชอบทำลายสินแล้วก็รักษาสินเทียเท่านี้เราเป็นประโสดาบันไม่ยากตอนนี้มาถึงพระสกิทาคามมีตัดสินยน์เหมือนกันแต่กำลังใจตกลงในความโลภในความโกรธในความหลง ความดิ้นลนในความโลภน้อยลงไปความอยากรวยยังมีแต่เบามากความความโกรธมีอยู่แต่เบาบางมากเราสิกขาคามีถ้าเบื้องปลายสุดอาจจะหลงไปหลงตัวเองอนาถปนาคามีก็ได้เพราะความโกรธไม่มีความรู้สึกในความหลงในร่างกายก็มีน้อยเต็มทีถือว่ายังมีความหลงยังมีเต็มมีน้อย ความความโลภยังมีความอยากรวยยังมีแต่มีน้อยมันเบามากความโกรธก็มีแต่บีมีคุณคุณแค่ใจนิดหน่อยนี่เร็วตัดสัญญาเท่ากันต่อมาตัดสัญญาอีกสองโรเป็นหคือพระอนาคามีเพิ่มตัดกามฉันทะความพอใจในเพศความพอใจในรูปสวยเสียงพระกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศไม่มีในอารมณ์ และก็รายการในสองปฏิฆะอารมณ์ที่ไม่พอใจเป็นความโกรธนิดหน่อยก็ตามไม่มีในใจจริงๆแต่การที่แส ด, ดงออกมาเหมือนคล้ายจะโกรธอาจจะมีแต่พระนาคามีทั้งนี้เพราะอะไ ร, ระ เ, เพราะว่าต่าคนภายในที่เป็นฤาษิตุหาถ้าปฏิบัติตนไม่ดีอาจจะได้กลายขูหรือจะคอกหรือว่าลงโทษอย่างนี้ก็ไม่มีเฉพาะพระนาคามีเพราะพระเจ้าเองท่านก็ทำ ว่าคนภายในด้วยการหวังดีต้องการให้เขาเป็นคนดีในเมื่อดีไม่ได้ก็ต้องหาทางลงโทษกันโูโบังคับกันอันนี้ เ, นเรื่องธรรมดาให้ทำความดีแต่ไม่เจ็บปรดถ้าบุาคคลภายนอกก็ไม่เกี่ยวต่อไปถ้าอย่าเป็นพระอรหันต์ก็ตัดสัญญอดีห้าคือตัดตัดรูปราคะอรูปราคะมาณอุทจจาอวิชาร รูปราคะคือรูปปัจจานอรูปราคะคืออรูปปัจจานรูปปัจจานก็ดีอรูปปัจจานก็ดียังทรงตัวอยู่นั่นหมายความคนได้ทั้งรูปปัจจานนะรูปปัจจานนะถ้าเราไม่ไดอรูปปัจจานรูปปัจจานก็ยังทรงตัวอยู่ขึ้นชื่อว่ารูปปัจจานก็ดีอารูปปัจจานก็ดีเรายังรักษาอยู่อย่างเคร่งครัดแต่เราไม่หลงไหลไปฝันว่าความดีของเราจะมีแค่รูปปัจจานและรูปปัจจาน เราะจิตทรงอยู่แค่รูปประชานและรูปปัจฉานี้ยังไม่พ้นวิสัยอบายภูมิเรงความว่าทำฌานให้ทรงตัวแต่ไม่หลงอยู่แค่นั้นต่อไปจะหาทางตักิเลส ต, ต่อไปหาเหตุหาผลมาตัดมาณนะการถือตัวถือ ต, วอตนว่าคนชั้นไหนคนมีชานความรู้ขนาดไหนมีฐา น, าชนะชไหนที่เราจะควรรังเกียจเราจะควรไม่รังเกียจรัคงคนรรักอย่างนี้ไม่มีมีเมตตาเสมอกัน ใช้เมตตาในพรมิหารสี่ทุกคนทุกคนเรารักหมดคนทุกคนเราสงสารหมดตรงความทั้งคนแนละสัตว์ก็มีความรักก็มีความสงสารเสมอกันถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันตัดมานะกิเล ส, สต่อไปก็ตัดกิเลสตัวหนึ่งอุทจจะเพื่อรวมฟุ้งซ่านตอนนี้แปลว่าอาร า, า, ามนะมัครนะเมนาคามีมาแล้ว ความจริงอัตรมรักไย่งต้องตัดกิเลสที่ห้าตัดอารมณ์พุงสร้างการพุ่งร้าองเขาอัตตาอัตอตา อ, อัตมรัคมีก็ไม่ไม่พุงสร้านเหมือนพวกเราพระอารมณ์ท่านผ่ายอนาคา ม, มีมาแล้วจะไปยุ่งหนึ่งกามารมณ์ก็ดีความโกรธก็ดีไม่มีแล้วเหลืออย่างเดียวแต่เพียงว่าถ้ามีความรู้สึกว่าท่านปฏิบัติมาดีขนาดนี้ความเหน็ดเหนื่อยไม่เกิดขึ้นม า, มากร่างกายก็ไม่ทรงตัว อิจ ก, กายงานอย่างอื่นก็มีมากพักกันแค่นี้ดีไหมถ้าเราพักแค่นี้เราตายแล้วก็ไปอยู่ในอารมุปพรมแคะว่าประโยชน์และ อ, อยู่ในพรมท่านดสอาสี่ิบห6ไปเกิดเป็นพรมใ น, ในฐานะที่เป็นพระนาคามีและก็นิพพานบนผมบางทีอาจจะคิดอย่างนี้ในพิ่มความเหนื่อยเกิดขึ้น แต่ว่าในฐานะที่เรายังมีชีวิตคือมีลมหายใจอยู่ก็คิดว่าถ้าเราจบพระชาตินี้จะดีกว่าไปนิพพานเลยก็ตัดอุตจักรตัวนี้ทิ้งไปเหลือแต่การทรงตัวคิดว่าไม่เอาระชันมงคลนิพพานฉันจะไม่เลิกหลังจากนั้นก็ตัดกิเลสตัวสุดท้ายคืออวิชชาอวิชชานี่ท่านแปลว่าไม่รู้ แต่ว่าสมเด็จทศชายาโตท่านแปลว่ารู้แต่รู้ไม่ครบสมเด็จทรชายาโตท่านแปลถูกตามหนังสือแปลว่าไม่รู้คนที่เกิดมาแล้วไม่รู้อะไรมันไม่มีคนรู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักพี่รู้จักน้องรู้จักสุขรู้จักทุกข์ทุกอย่างหนารู้จักร้อนมันมีความรู้อยู่แต่ว่าไม่รู้ครบถ้วนในการตัดกิเลสแล้ววิชาพระพุทธเจ้าทนยกศัพไ์ไปองศั์ จับเดิมกือวิชาพระเจ้าทรงแยกจะเป็นสองจับคือฉันท่ากับราคะที่แรกเราก็หาก็ไม่พบอวิชชาก็แปลไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้รกอะไรงงกันถ้าไปพบนนในฉันตะวัตในเบตติบิดกพระเจ้าทองแยกจะเป็ฉันท่าก็ให้ตัดฉันท่ากับราคะถ้าหลงในฉันท่ากับราคะอยู่จะเป็นอวิชชาถ้าตัดฉันท่ากับราคะได้ก็ถือถือว่าชนะอวิชชา ฉันทะราคะคือมีความรักในมนุษย์สโลกเทวโลก ร, ระพรมโลกด้วยราคะความรักอยากเป็นมนุษย์อยากเป็นเทวดาอยากเป็นพรหมอย่างนี้ยังชื่อว่าเป็นคนมีอวิชชาร้าฉันถ้าันทะมีความพอใจในความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือพรหมอันนี้ก็ชื่อว่ายัางเป็นคนมีอวิชชาถ้าเรายตัดอวิชชาก็ต้องตัดฉั้นทะคือความรัก ราคะคือความว่าหนักยินดีในการเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรมก็ดีถือ ว, ว่ามนุษย์ยังมีความทุกข์มากกว่าสุขเทวดากับพรมมีความสุขโดยพระไม่มีทุกข์แต่ความสุขไม่นานไม่ชาก็หมดบนวา ส, สนาบรารมีกลับลงมาทุกข์ใหม่เราไม่ต้องการเราต้องการนิพพานจะรวมความว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัน ถ้าท่านจะริยนกรรมฐานคิดว่าจุดจบอยู่ที่ไหนก็ขอสรุปย่อๆว่าอันดับแรกถ้าว่าท่านจะเป็นประโสดาบันนิสกิทาคามีท่านจะมีความรู้สึกประจํานะีไม่ใช่โชโวคราวนะหนึ่งชีวิตนี้ต้องตายเราไม่ประมาทแต่ชีวิตประการที่สองมีความเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในการที่ส ม, มีสินห้าบริสุทธิ์นี่เป็นโสดาบันอย่างหยาบ แต่พระโสดาบันอย่างกลางก็มีกำหนดสิบบริรสุทธิ์พระสกิธาธรรมีก็มีกำหนดสิบละเอียดมากถ้า ต, ต่อไปถ้าจะนึกว่าเราจะเป็นนาคาธมีหรื อ, อย่งก็ดูตัวนี้เมื่อส ก, กายาติทีแล้วควส ก, กายาติทิมีความเบื่อหน่ายในร่างกายหาว่าสร้างกายสุขะปกมีอารมณ์ไม่เท่ากันและสองไม่สงสัยในพรุทเจ้าพระธรรมพระอริสง์ แล้วก็สามมีสิ้น8บริสุทธิ์อนาคามีนี่มีสิ้น8บริสุทธิ์นะแล้วก็จิตใจไม่หลงไหลไฟฝันในรูปรู ป, รปเสียงเปลี่ยนรสสัมผัสแล้วก็จิตไม่มีความโกรธในใจความโกรธความคาดมาร้ายนี่ไม่มีนะท่านอนาคามีเที่ยวตัดสัญญาตในหถ้าเป็นพระหลานก็ตัด 10, 1, สิทธ์คืนหนึ่งสกายยทิฏฐิ มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราถ้าพูดกันถึงอารมณ์อารมณ์พัฒนาคารมีมีความเบื่อเห็นคนก็เบื่อคนร่างกายคนสกปรกเห็นสัตว์ก็เบื่อสัตว์ว่าร่างกายสัตว์สกปรกเห็นวัตถุธาตุก็เบื่อวัตถุธาตุเวัตถุธาตุสกปรกและไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอน สำหรับอารณ์พระหรหันต์มีการวางเฉยที่เรีว่าสังขารเปกขา ย, ยานอนาคามีมีเรียกว่าเขาเรียกว่าความเบื่อถือความเบื่อเป็นสาคัญอะไรกันนะสําหรับพระอรหันต์ถือว่าสังขารเปกขา ย, ยานเป็ น, เ ป, นเป็นตัวเป็นเป็นแบบฉบับประจําตัวคําว่าสังขารุเปกขา ย, ยานคือวางเฉยอะไรไม่จะเกิดขึ้นกับร่างกายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาหมด ความป่วยไข้ไม่สบายมัเกิดขึ้นเป็นธรรมดาของร่างกายความแก่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของความแก่หนาวเกินไปร้อนเกินไปถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้มันเป็นอย่างนี้ร่างกายต้องสมบัดอย่างนี้ความตายยัเข้ามาถึงถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายร่างกายมันต้องตายสําหรับความตายยัเข้ามาถึงพระอรหันถ้ามีความรู้สึกไงท่านมีความรู้สึกเฉย เพราะปกติทราบอยู่แล้วว่าการอยู่เป็นทุกข์ท่านตายไปแล้วปริพาน์ามีความสุขนี่ก็เป็นว่าการแนะนำจุดจบของการเจริญประกรรมฐานแต่ข้อสำคัญขบรนดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านจงอย่าลืมอนาปานุสติกรรมฐานนี่ตัวใหญ่นะการคุมอารมณ์นี่มีความสำคัญให้ใจเข้าภาวนาตาม คำภาวนาอันนี้ไม่จํากัดก็กรรมฐานไม่ไม่ไประจำกองถ้าประจำกองจํากัดถ้าโดยทั่วไปให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโทก็ได้ได้สัมมาดาหังก็ได้อิติสุขโตก็ได้นามาพทาก็ได้หรือว่าจะเป็นยุบหน่พอพหนอก็ได้ได้เหมือนกันหมดเวลามนุนี้หมดเวลาญาติโยมขอทุกคนตั้งใจสม า, า, สสม า, าทานศิ่สมาทานบริกรรมฐาน